บุคคลที่ประพฤติ ธ, ธรรมที่เพืิเจ้าสรเรสิญเรียกว่าสตบุรุษหรือว่าบัณฑิตนะคว่าบัณฑิตนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีปัญญาล้ำเลิศหรือว่าจบปริญญาแต่ท่านหมายถึงคนที่ มีปัญญาในการดำเนินชีวิตให้ออกจากทุกข์ได้พระพุทธองค์ได้พูดถึงบัณฑิตในหลายแง่นะอย่างเช่นบัณฑิตก็คือผู้ที่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือว่ารู้และบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองอย่างบางทีท่านก็ ผู้ว่าบัณฑิตก็คือผู้ที่มีกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะก็คือคนที่ทำความดีทั้งกายวาจาใจไม่ได้หมายถึงคนที่ฉลาดอะไรมากมายเลยแค่เป็นคนดีทั้งกายวาจาใจก็เรียกว่าบัณฑิตจะมีคำจอดถึงบัณฑิตอันหนึ่งซึ่ง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 คนพาลคนพาลนี่คือไม่ใช่คนคนชั่วคนเลวเสมอไปอาจจะหมายถึงคนที่ไม่มีปัญญาคนพาล น, นั้นก็มีลักษณะสองอย่างก็คือว่าไม่แบกภาระที่มาถึงแล้วก็แบกภาระที่ไม่มาถึงก็คืออ ะ, อะไรที่ควรทำก็ไม่ทำ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 ไอสิ่งที่คุยเนี่ยสิ่งที่ปรึกษากันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานะก็คุยกันปรึกษากันหลังทำวัดก็ไดนะ้ไอสิ่งที่ควรทำก็คือว่านั่งฟังธรรมด้วยความตั้งใจหรือว่าเรากำลังขับรถนะทางไกล หรือบนทางด่วนก็ได้แต่ว่าฐานที่จะจดจ่อใส่ใจอยู่กับการขับรถนะก็ถานมาปรึกษาหรือเพื่อนเรื่องจะทอดกระถินที่ไหนดีนะนะจะไปทอดกี่วัดนะจะแบ่งสายกันอย่างไรในการเรียลลายบอกบุญอันนี้ก็เรียกว่า ทำสิ่งที่ไม่ควรทาหรือไม่ใช่เวลาไอ้สิ่งที่คุยยังมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะนะแต่มันไม่ใช่เวลาขับรถเสร็จก็มาปรึกษาหารือกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขับรถไปปรึกษาหารือกันไปเรื่องสร้างวัดสร้างทำาทอกับถิน้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็จะโทษไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีนะคุยเรื่องธรรมะปรึกษ า, ห, าหรือเรื่องการทำบุญกับประสบอุบัติเหตุนะอันนี้แสดงว่าทำดีไม่ได้ดีอันนั้นไม่ใช่นะนะทำดีในที่นี้ก็ต้องรวมถึงว่าทำถูกกรณีถูกเวลาด้วยถ้าไม่ถูกเวลาไม่ถูกกรณีมันก็ยังเรียกว่า เป็นความดีที่ไม่ครบถ้วนเรียกว่าประโยคคาวิบัตินะคือว่าประโยคคาวิบัติก็หมายถึงว่าการไม่ทำความดีให้ถูกเวลาด้วยพูเจ้าตรัสว่ากรรมนี่มันจะให้ผลได้เนี่ยนอกจากจะทำดีแล้วเนี่ยต้องประกอบไปด้วยองค์สี่ก็คือ กาลสมบัติถูกเวลาคติสมบัติเช่นสุขภาพร่างกายพร้อม อ, อุปบิสมบัตินะร่างกายพร้อมคติสมบัติก็คือว่าอยู่ในถิ่นในที่ที่ถูกแล้วก็ประโยชน์คสมบัตินะก็คือว่าการเป็นการทําการงานที่ ถูกต้องถูกเหตุถูกผลถึงแม้ตั้งใจดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำขาดความรู้ก็เลยทำตามเหตุตามปัจจัยไม่ครบถ้วนนี่ก็ถือว่ามันไม่ใช่ประโยค์สมบัตินะเป็นประโยควิบัติอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้พิจารณาว่าเวลาทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีก็เพราะว่ามันวิบัติอันใดอันหนึ่งแต่ว่าถ้าจะ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 คำว่าแบกนี่ก็อาจจะหมายถึงไม่ใช่ทาลงมือกระทาแต่ว่าจิตใจไปคุ้นคิดถึงมันบัณฑิตนี่เป็นผู้ที่แบกภาระที่มาถึงก็คือว่านอกจากจะรู้ว่าอะไรควรทำแล้วในขณะที่ทำสิ่งนั้นเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วยนะ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 ถ้ายังไม่มาถึงนะก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นอารมณ์อย่างเราปฏิบัติทำอยู่นี่แต่ว่าเราไปเปนึกนะถึงเรื่องงานการที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วหรือวางแผนว่ากลับไปถึงบ้านเสาร์อาทิตย์นี้เราจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีนะพาพ่อแม่ ไปกินอาหารที่ไหนดีนะอันนี้ก็เรียกว่าแบกภาระที่ยังมาไม่ถึงคนเราทุกคนเห็นนี้มากนะก็คือว่าไปแบกภาระที่ยังมาไม่ถึงบางทีก็ไปกังวลนะถึงลูก ว่าจะให้ลูกไปเรียนต่อมัธยมหรือเข้าหมาไไหาวิทยาลัยในไหนดีทั้งท้งลูกยังอยู่แค่ปถมศนะคิดไปไกลแล้วนะจะให้ลูกเข้าหมหาวิทยาลัยไหนหมหาวิทยาลัยไหนดีนะเสร็จแล้วก็กังวลโอ้ยจะเข้าจุฬาได้ไหมเนาะหรือว่าจะส่งลูกไปนิวยอร์กดี ลูกยังแค่อยู่ปสี่กันนั่นเองไปซะแล้วนะ แ, แล้วกังวล น, นะโอยถ้าลูกเข้ามาฉิทาลยไม่ได้เราจะมีกำลังส่งลูกไปเมืองนอกไหวไหมกลุ้มใจละเนี่ยคิดข้ามช็อตไปไกลเหลือเกินเป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะบ่งทีไม่ได้ข้ามช็อตไปไกลเป็นปีๆนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ก็ได้นะก็มีเหมือนกัน กินข้าวอยู่ก็คิดถึงเรื่องงานการเรื่องประชุมตอนเช้าแล้วก็กังวลว่าเเราจะพรีเซนต์งานได้ดีไหมหรือว่าจะไปถึงที่ประชุมทันเวลาหรือเปล่ารถติดเหลือเกินนี่ขณะกินข้าวนะไปแล้วนะจ่ายไปแล้วถ้าคนเราเป็นอย่างนี้อยู่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 นะการกินข้าวก็ถือว่าเป็นกิจอย่างหนึ่งที่เราควรใส่ใจเมื่อเรากำลังกินข้าวอยู่หรือขณะที่เราทำว่าสวดมนต์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาระที่มาถึงและเราก็ควรจะใส่ใจอยู่กัการสวดมนต์นะไม่ใช่คิดวางแผนนะที่จะไป พาลูกพาพ่อแม่ไปเที่ยวในวันเสาร์วอาทิตยนะ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะรู้ว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเหตุ น, นี้ก็มากนะทุกเพราะการแบกรับภาระที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ละเลยภาระที่มาถึงแล้วก็คือไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะพอใจแล้วไปอยู่กับอนาคต ก็เลยทุกก็เลยกังวลที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้วางแผนถึงอนาคตนะวางแผนถึงอนาคตก็เป็นสิ่งจําเป็นนะพระพุทธเจ้าก็ให้เตือนให้เราเนี่ยราลึกถึงอนาคตภัย5ประการอยู่เสมออนาคตภัย5ประการหมายถึงว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเตือนจะให้เราไม่ประมาทเช่นว่าในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็อย่าไปเพลิดเพลินในความหนุ่มความสาวก็ให้เราเลือกว่าต่อไปเราแก่ชราถึงตอนนั้นก็อาจจะทำอะไรได้ไม่สะดวกแต่ปฏิบัติธรรมก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบทําในขณะที่ ยังหนุ่มยังสาวยังมีกําลังวังชาอยู่หรือว่าในขณะที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ให้ระลึกว่าต่อไปเราอาจจะเจ็บป่วยได้ถึงตอนนั้นก็จะทําสิ่งที่ควรทําได้ลําบากรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่มีสุขภาพดีก็ต้องเร่งทําซะอย่าไปคิดว่าจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อแกนะอันนี้เราประมาท หรือว่าในขณะที่มีอาหารบริบูรณ์นะพู้ง่ายคือมีความสะดวกสบายก็อย่าชะล่าใจเพราะอนาคต น, นี้อาจจะมีปัญหาข้าวปลาอ่าข้าวยากหมากแพงนะต้องทำมาหากินตัวเป็นเกลียวนะถึงตอนนั้นก็ปฏิบัติทำลำบากแล้วนะต้องรีบทำในขณะนี้ อันนี้รวมไปถึงอีกสองข้อคือว่าในขณะที่บ้านเมืองบ้านเมืองมีความปกตสิสงบสุขก็อย่าพึ่งชะล่าใจนะเพราะว่าอนาคตมันอาจจะเกิดความวุ่นวา ย, ยาเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวภัยพิบัตนะิอย่างที่หลายคนกำลังห่วงแต่ไม่ใช่ห่วงแล้วก็ทําให้ตื่นตกใจอ่ะเราก็กลับมาดูปัจจุบันเออตอนนี้เรายังบ้านเมืองยังปกติสงบสุขเรียบร้อยดีพอสมควรก็ รีบใช้โอกาสนี้ทําความดีสร้างกุศลปฏิบัติธรรมซะแล้วข้อสุดท้ายคือว่าในขณะที่หมู่ชนหมู่คณะยังมีความสามัคคีกันดีอยู่ก็อย่าพึ่งเพลิดเพลินช้าลาใจนะเพราะว่าอนาคตอาจจะเกิดความแตกสามัคคีกันถึงตอนนั้นก็จะวุ่นวายทําอะไรลําบากนะเพราะนีนตรงนี้ต้องเร่งทําซะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าคิดถึงอนาคตได้ แล้วก็ควรคิดถึงในในแง่ที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้ไม่ประมาทผู้งาคือว่าคิดด้วยปัญญาหรือคิดเพื่อเกิดปัญญาไม่ใช่คิดจนถูกอารมณ์ครอบงําหรือว่าคิดเพราะว่าถูกอารมณ์ชักนําไปสังเกต ด, ดูเวลาเราคิดไปถึงเรื่องอดีต ก, ก็ตามอนาคตก็ตามเนี่ย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 จะได้เตือนใจไม่ให้ประมาทนะมันต่างกันบุคคลที่แบกภาระราที่มาไม่ถึงเนี่ยก็คือเอาเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมาเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดความกังวลต่างๆนานาโนะดยเพราะเรื่องงานเรื่องการหลายคนกินข้าวอยู่ตอนเช้าก็นึกถึงนึกเป็นห่วงงานนะพอทางานก็เป็นห่วงลูกที่บ้าน ตอนเย็นกลับมาเจอหน้าลูกแทนที่จะอยู่กับลูกนะด้วยความใส่ใจก็กลับเป็นห่วงงานนะคือใจมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยนะคนที่พออยู่ในที่ทำงานก็นึกเป็นห่วงลูกที่บ้านก็นอกจาก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 เมื่อเพียงแต่เรารู้จักวางภาระที่ยังมาไม่ถึงซะวางออกจากใจนะแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตแล้วนะคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็เป็นกังวลกับอนาคตนะ ลองพิจารณาดูในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่มีความหนักอกหนักใจมีความกังวลมันเป็นเพราะอะไรนะถ้าเราพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้และทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีนะแม้จะเป็นงานยากๆแค่ไหนในที่สุดเราก็ทำสาเร็จได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทันจะทำเลยนะ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 ทำตอนเช้าก็ไม่ไปกังวลถึงงานตอนบ่ายทำวันนี้ก็ไม่ไปกังวลถึงงานวันพรุ่งนี้แต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะพอระวังแผนแล้วว่าจะทํางานอ่าจันทร์ถึงศุกร์มีงานอะไรบ้างพอถึงวันจันทร์แล้วก็จดจ่ออยู่กับวันจันทร์งานวันจันทร์นั่นแหละส่วนมันจะเสร็จอีกอกี่ปีนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคต มีนักปีนเขาคนหนึ่งเขาพูดไว้ดีนะก็เป็นคนที่ปีนเขาที่สูงที่สุดในทุกทวีปมาแล้วรวมทั้งภูเขาเอเวอเรสต์ Everest, นะที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ประสบการณ์จากการเดินเขาปีนเขาเนี่ยทำให้เขาสรุปว่าความอะไรก็ตามเนี่ยมักจะดูน่ากลัวเสมอเมื่อมองจากที่ไกลๆยอดเขาเนี่ยนะถ้ามองจากตีนเขาเนี่ยดูมันน่ากลัวมาก ถ้าหากว่าเราตั้งใจจะไปให้ถึงยอดนะถ้าเราดูแค่เฉยดูแค่ชื่นชมมันไม่ได้คิดจะปีนไปให้ถึงก็มันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่เวลาเราตั้งใจว่าเราต้องปีนไปให้ถึงยอดเนี่ยถ้ามองจากแค่ตีนเขาหรือเชิงเขาเนี่ยเห็นก็ท้อแล้วสูงต้องเจ็ดแปดกิโลหน้าผาก็เยอะเขาก็ชันที่มากก็เพียบแค่เดินก็ท้อแล้ว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 อันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ไม่วางแผนวางแผนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินไปเส้นไหนแต่ถึงเวลาเดินจริงๆก็ใส่ใจกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วเขพบว่ามันจะกลายเป็นง่ายขึ้นนะสิ่งยากจะกลายเป็นง่ายนะเมื่อเราจดจ่อกับแต่ละก้าวแต่ละก้าว ก็เลยแน่ว่าเวลาทํา ง, งานแล้วก็ตามก็ให้ซอยงานออกเป็นส่วนๆส่วนๆแล้วก็จดจ่อกับแต่ละส่วนให้ดีที่จริงอย่าว่าแต่ ง, งานเลยนะแม้กระทั่งสิ่งที่เราชอบเช่นขนมเค้กหรือพิซซ่าเนี่ยมันแผ่นใหญ่มีใครบ้างที่กินทั้งแผ่นได้ในเวลาเดียวในคําเดียวเราก็ต้องซอยต้องตัดออกมาเป็นส่วนๆ 6ส่วนหรือ8ส่วนแล้วก็แม้แต่เวลาจะกินแต่ละซีกแต่ละส่วนนี่ก็ไม่ใช่ว่ากินทีเดียวหมดนะก็ต้องกินทีละคาทีละคำนะมีใครบางที่กินทีละหลายคำนะมันกินทีละคาเท่านั้นแหละเวลาทำงานนี่ก็ทำทีละอย่างทีละอย่างนะไม่ใช่ทำอย่างหนึ่งแต่ใจก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่ง ทำงานนี้แต่ว่าคิดไปถึงตอนเสร็จแล้วว่ามันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ย เ, เรื่องปฏิบัติธรรมวันจันทร์ก็นึกถึงวันเสาร์แล้วว่าจะกลับบ้านาถึงบ้านกี่โมงนะไปละข้ามชอตลหรือว่าคิดถึงว่ า, าจะได้ผลยังไง ทำางนี้เนี่ยเราจะทุกข์เราจะทอ้อเพราะเราจะรู้สึกเลยว่าแต่และแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันมันผ่านช้ามากเดีย๋ยวว่าแต่และ ว, วันเลยแต่และชั่วโมงแต่และชั่วโมงเพียงแค่คิดว่าโอ้เราต้องเจอต้องปฏิบัติทำอีกหวันเหนือกว่าจะกลับบ้านเนี่ยมันทอ้อละเดี๋ยวว่าคนที่เบือ่อคนที่เซ็งคนที่เครียดแต่ถ้าเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรา อย่าไปสนใจวันพรุ่งนี้สนใจแต่วันนี้หรือว่าดีกว่านะั้นคือสนใจเช้านี้ไอ้ตอนบ่ายเป็นยังไงเก็บไว้ก่อนไม่เอามาเป็นกังวลไม่นึกด้วยซ้ำนะโอ้เราจะผ่านไปถึงคำนี้ได้ยังไงนะทำเช้านี้ให้ดีแล้วก็ทำชั่วโมงนี้ให้ดีเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะไอ้ที่มันยากเข้าใจเราคิดไปเอง การอยู่กับปัจจุบันทําแต่ละนาทีทําแต่ละขณะให้ดีนี่สำคัญมากแม้กระทั่งจะเป็นงานยากงานลำบากงานเสี่ยงอันตรายนี่ก็ผ่านไปได้มีนักมีนักไต่ลวดคนหนึ่งไต่เชือกคนหนึ่งเป็นคนที่ปแปลกนะแกชอบจะไต่ลวดไต่เชือกในที่ที่มันปราดพิสดาร เมื่อ30สิปีก่อนตอนที่เริ่มสร้างตึก World Trade Center เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าถูกทำลายจากเหตุการณ์11เกันยามื่อ10ปีที่แล้วตอนที่มาเริ่มสร้างใหม่เนี่ยเมื่อเขาล่วมมันเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเนี่ย<ม>เขาก็มีความฝันว่าเขาจะปีนแล้วก็ไต่เชือกที่ขึงระหว่างยอดของตึกสองตึกนี้ แล้วพอตึกเริ่มสร้างจะเสร็จนะเขาก็แอ บ, บไปขึ้นตึกนะเขาเป็นคนฝรั่งเศสแอบบขึ้นตึกนี้ไปจนถึงยอดเลยแล้วเขาก็ขึงเชือกระหว่างยอดของตึกสองตึกซึ่งห่างกันประมาณร้อยหรือร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรเนี่ยนะขึงไปทำไมขึงเพื่อที่จะเดินไต่เชือกแล้วพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเริ่มสว่างเขาก็เริ่มเดิน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 เดินบนเชือกนั่นแหละไม่ใช่แค่เที่ยวเดียวนะเดินถึงเจดเที่ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถึง45นาทีนะเราลองนึกภาพเลคนที่เดินอย่างนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยคนนี่ตัวเท่าตัวเท่ามดเดินได้ยังไงแถมมีตำรวจคอยคว้าตัวอยู่ตรงปลายเชือกพอเขาเดินไปถึงตรงปลายเชือกตำรวจจะคว้าตัวเขาก็หันหลังกลับเดินต่อ กลับไปกลับมาเนี่ยมีคนถ่ายทาเป็นเป็นหนังสารคดีด้วยนะตอนหลังพอเขาเดินจนหนำใจแล้วเกงใจตำรวจตำรวจรอนานแล้วเขาก็เลยลงมาให้ตำรวจจับแล้วก็มีคนสัมภาษณ์เขาว่าไอตอนที่เขาเดินนี่เขาเขานึกถึงอะไรใจเขานึกถึงเป้าหมายหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้นึกอะไรเลยใจเขาเนี่ยนึกแต่ว่าจะ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 เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดนะีสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายหรือง่ายกว่าเดิมและสิ่งที่ลําบากก็สามารถจะทําให้สําเร็จได้นะมันสําเร็จได้ด้วยใจนะความเพียรก็สําคัญแต่ว่าใจก็สําคัญมากว่าเราจะวางใจอย่างไร การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือการที่ฝึกให้เราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าไปมองว่าอย่าไปเปรียบเทียบว่ า, วางานนี้เป็นงานไม่ไม่สำคัญงานที่อยู่ข้างหน้าเราสำคัญกว่าเช่นถูฟันนะระหว่างการถูฟันกับการประชุม ที่มีงบหลายพันล้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากแน่นอนการถูฟันนี่มันก็เป็นงานเล็กน้อยนะั้นเทียบไม่ได้กับงานที่รอเราอยู่ตอนเช้านะซึ่งมันเกี่ยวพันกับง บ, บประมาณหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านแต่ว่าสำหรับบัณฑิตแล้วเนี่ย<ม>ไอเรื่องประชุมนั้นมันจึงเป็นภาระที่ยังมาไม่ถึงนะที่ถูฟัน นั่นคือพาระหรือกิจที่กำลังทำอยู่มาถึงแล้วเราก็ใส่ใจใส่ใจด้วยใจเต็มร้อยก็คือทำอย่างมีสติหลักการเจริญสติก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อตัวเรากำลังถูฟันใจเราก็อยู่กับการถูฟันไปนะเวลาเรากินข้าวการกินข้าวก็ในแง่ของความสำคัญก็อาจจะไม่เทียมไม่ได้กับงานที่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 ปัจจุบันเป็นขณะเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะทำอะไรได้และสามารถจะทำความดีให้เกิดขึ้นก็ได้ทำความช่วยให้เกิดขึ้นก็ได้เป็นเวลาประเสริฐสุดเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเราจริงๆนะอยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจที่เราจะทำอะไรก็ได้นะแม้จะไม่ได้ทุกอย่างก็ตาม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 การกินอาหารถ้าเรากินด้วยความใส่ใจนะมันก็เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ต่อร่างกายเราแต่ต่อใจของเราด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราอยู่กับใครก็ตามเราก็อยู่กับเขาด้วยความใส่ใจการที่อยู่กับเขาด้วยความใส่ใจหรือว่าทำปฏิบัติกับเขาด้วยความใส่ใจนี่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราอย่างเดียวนะมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย อาจจะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยเคยมีช่างแต่งผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาก็ได้โทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มา น, นัดหมายว่าตอนบ่ายนี้ว่างไหมนะเขาจะมาทำผมนะช่างแต่งผมเขาบอกว่าว่างนะมาได้เลยนะ ผูงคนนั้นก็มานะก็มาในชุดเรียกว่าแต่งตัวเรียบร้อยอย่างดีเลยเหมือนกับว่าจะไปงานไหนสักงานหนึ่งช่างแต่งผมนั้นก็ต้อนรับลูกค้านะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแยม้มแล้วก็ระหว่างที่แต่งผมไปก็พูดคุยนะอย่างเป็นมิตรนะแล้วก็อดชมไม่ได้ว่าโอ้คุณนะ แต่งตัวได้สวยมากนะก็พูดในทางที่นะให้ความรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็เป็นกันเองสัมผัสแต่และสัมผัสที่ช่างแต่งผมได้สัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นเลือนผมก็ดีหรือว่ า, าตัวเธอก็ดีนะก็ทำด้วยความใส่ใจนะอ่อนโยน ก็เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกค้าก็พึงพอใจนะแล้วก็ออกจากร้านไปไม่กี่วันต่อมาเนี่ยช่างแต่งผมก็ได้จดหมายจากลูกค้าคนนี้แล้วลูกค้าคนนี้ก็รล่าใฟังว่าความตั้งใจของเธอเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยก็คือเธอจะฆ่าตัวตายแล้วก็เลยพยายามจะ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 เกิดปิติขึ้นมาเกิดความรู้สึกดีๆเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่นะไอ้ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นนี่มันก็ช่วยทำให้อีความหดหูท้อแท้สิ้นหวังว่าฉันไร้ค่าไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยมันหมดไปนะก็เลยเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายนะไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะแต่เป็นเพราะว่า ช่างแต่งผมคนนั้นเนี่ยปฏิบัติกับเธอด้วยความใส่ใจก็มีคนไปสัมภาษณ์ช่างแต่งผมคนนี้ว่าคิดอย่างไรเหรอนะเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นเลยนะ mm hmm. เธอก็ปฏิบัติกับลูกค้าคนนี้เนี่ยเหมือนกับคนอื่นๆนะแต่ว่าเธอมีความสุขที่ได้แต่งผมที่ได้ทํางานนะ ก็เชื่อแน่ว่าตอนที่เธอแต่งผมเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่กับลูกค้าใจก็อยู่กับลูกค้าเต็ม้อยนะไม่ได้คิดไปเลยว่าเดี๋ยวตอนค่มนี้นะจะทำอย่างไรนะสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไห น, ผ, นนะผ่อนนะผ่อนหนี้ผ่อนรถนะไม่มีความรู้สึกแบบนี้หลายคนนี่ทำงานไปก็กังวลละสิ้นเดือนนี้จะ ผ่อนนี่ยังไงดีนะผ่อนบ้านยังไงดีเป็นหนี้ก็สิบล้านยี่สิบล้านกลุ่มใจนะแต่ว่าช่างแต่โมงนี่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอันนั้นเป็นภาระที่ยังไม่มาถึงถึงสิ้นเดือนค่อยว่ากันนะเรื่องนี้นี่หลวงพ่อพยายามท่านก็มีเกร็ดเล่านะเคยมีคนถามท่านว่าวัดสวนแก้วเนี่ยนะไปกู้เงินมาหลายสิบล้านซื้อที่อ่ะ เป็นหนี้ธนาคารหลายสิบล้านเนี่ยหลวงพ่อกุ้มใจบ้างไหมท่านบอกว่าจะกุ้มใจทำไมไอ้คนที่ควรกุ้มเนี่ย ค, คือเจ้าของเงินคือธนาคารนั่นแหละว่าเราจะมีปัญญาส่งเงินให้เขาไหมนะมันเป็นเงินของเขาเราไม่เ ร, ไมเราไม่กุ้มหรอกนะคือท่านไม่ได้คิดว่าจะเบี้ยวนะแต่ท่านคิดว่าจะไปไปกังวลกับการผ่อนหนี้ทาไมมันยังไม่ถึงเวลา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 งานการต่างๆสำเร็จแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นเป็นไปด้วยดีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะการอยู่กับปัจจุบันยังเป็นหลักสำคัญเลยในการที่จะทำให้เราสามารถพ้นทุกได้เมื่อเราเจริญสติเราก็รู้กายที่เคลื่อนไหวเมื่อใจเราคิดนึกไปเผลอคิดไป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 ก็ถือว่าเป็นการรู้ปัจจุบันได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นี่พอใจคิดนึกไปแล้วก็ลอยไปคิดไปหลายเรื่องหลายราวมือนก็บรถไฟเลยมีหลายขบวนมีหลายตู้นะกว่าจะกว่าจะรู้ตัวก็คิดไปแล้วสิบเรื่องนะเหมือนกับรถไฟที่ยาวสิบตู้ยังช้าอยู่นะความรู้ตัวยังช้าอยู่ แต่ต่อไปมันก็จะรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นนะรู้ไปได้สักพักความหลงหายเพราะว่าสติขึ้นมาแทนที่พอสติมาแทนที่ใหม่ๆมมันก็ยังคิดต่อนะเหมือนกับรถที่วิ่งเร็วรถที่วิ่งเร็วนี่แต่เบรกที่แรกมันไม่หยุดหรอกนะ แต่เบรกที่แรกยังไม่หยุดต้องแตะหลายครั้งนะกว่ารถจะหยุดเวลาเรามีความคิดนะผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพอมีสติรู้รู้ว่ากําลังกังวลรู้ว่ากําลังหงุดหงิดรู้ว่าทำไมไมัน ไ, ไม่หายก็เพราะว่าเรายังแตะเบรกนะน้อยไปแต่ว่าแตะเบรกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการห้ามคิดนะแต่หมายถึงเปรียบเทียบกับสติว่า สติเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บไอความกังวลความหุดหก็หายไปแต่มันเกิดปุ๊บขณะเดียวพอมันหายไปความกังวลก็ผุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ต่อกันเป็นสายเรามีสติอีกปุ๊บหนึ่งแล้วก็หายไปความคิดฟุ่งร้างก็ต่ออีกนจนกว่าสติของเราเนี่ยจะเกิดแบบถีบยิบเลยนะ ที่ยิบจงกระทั่งมันไอความฟุ้งซ่านหรือลักคิดเนี่ยมันมันหายไปความกังวลหายไปความโกรธหายไปไม่ใช่เพราะว่าเรากดข่มมันแต่เพราะว่าเรารู้ตัวเหมือนกับความเหมือนกับสว่างเหมือนกับความมืดเนี่ยที่มันหายไปเพราะเจอแสงสว่างเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดแต่ไหลเพียงแต่ให้แสงสว่างเข้ามาความมืดก็หายไปความหลงหายไปเพราะความรู้ตัวเกิดขึ้นน อันนี้เพราะการอยู่กับปัจจุบันคือรู้กายรู้ใจนะก็ให้เราลองปฏิบัติ ด, ดูนะไอา้าลาที่ยังมาไม่ถึงนะอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปแบกมันจะมีกี่เรื่องกี่ลาวที่จะต้องทำถ้ามันยังมาไม่ถึงก็วางไว้ก่อนตอนนี้ภาล่าที่มาถึงแล้วมีอย่างเดียวคือการปฏิบัติอยู่กับกายกับใจหรือว่าทาให เป็นมิจ ก, ต, นะกตัวเองให้ได้ เ, ด เ, เป็นมิจกตัวเองให้ได้นี่อันนี้คือภารกิจหลักภารกิจเดียวถ้าเรายังเป็นมิจกตัวเองไม่ได้เนี่ย อ, อย่างอื่นนี่ก็มันก็ทําลําบากเนะมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเป็นมิกกความเหงาหรือเป็นมิกะวารมต่างๆถ้าเรายัาา ง, ง เ, เ, Orion, เ, เป็นมิจกับนิวรณ์อารมณ์ต่างๆนี่แล้เราว่านิวรณ์ถ้าเรยังเป็นมิจกนิวรณ์ไม่ได้จะเป็นมิจกตัวเองนี่ลําบากมากนะเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวนี่นิวรณนเกิดขึ้นมากมาย ต่อเมื่อเราเริ่มจะเป็นมิกับนิยว์เหล่านี้ได้จะมาก็มาจะอยู่ก็อยู่นะฉันไม่สนใจฉันก็ยังเดินปฏิบัติต่อไปจะขี้เกียจก็ปฏิบัติจะง่วงก็ปฏิบัตินะจะงุดงีก็ยังปฏิบัติอยู่อยู่กับปัจจุบันจนระทั่งมันมันถอยไปเองมันหนีไปเองถึงตอนนั้นเราจะเป็นมีกฉาตัวเองได้นะเราก็พอสมควรกับเวลา